Thank mm -hmm. you. ศึกษาปฏิบัติได้ยินได้ฟังเอาไว้วันนี้อาจจะไม่ได้สัมผัสเตียงแต่ได้ยินได้ฟังต่อไปอีกนานหลายปีสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเราอาจจะเอาไปทำได้สัมผัสกับธรรมอันใดอันหนึ่งเช่นที่สุดของชีวิตเราคือวิมุต หลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างชิบ ป, ปังปาเปยโธมาตังให้รู้ถึงในผานเทินเราก็ว่าอย่างนี้แหละแต่ถ้าเราไปถึงจริงๆแล้วโอ้เด็กก่อนเราเพียงแต่เป็นคำพูดต่อมามันไม่ใช่คำพูดมันประสบันสัมผัสเอาจริงๆเนอะเนี่ยของสิ่งที่พูดกลายเป็นของสัมผัสได้ โดยชีวิตจิตใจของเราจิตใจในมันสัมผัสกับบุญกับบาปกับกุศลกับอกุศลบางทีถ้าเป็นปุตุชนนี่ครึ่งบุญครึ่งบาปแต่เป็นมนุษย์อาจจะแบ่งสักสามส่วนบุญสักสองส่วนบาปสักส่วนนะ ถ้าเป็นพระแล้วก็ไม่มีบาปไม่ทำบาปอย่างนี้เพราะฉะนั้นในชีวิตของเรานี่ถ้าเป็นปุถุชนมันก็เสี่ยงมากผุมลายคุมดีมีชีวิตก็ไม่มั่นคงอ่อนแง่ก้อนแคลนไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร เราจำเป็นจึงต้องศึกษาจำเป็นจึงต้องปฏิบัติยังไงยังไงมันก็หยุดไม่ได้หรออยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องดูต้องเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นพอยืดได้ก็ให้มันยืดได้สิ่งไหนที่วางก็มันแล้วๆไปสิ่งไหนที่ยืดไวเพื่อเอาไาใช่ก็ยืดไว้มีสิทธิอย่างนี้เดีย๋ยวนี้เราไม่ค่อยมีสิทธิ กับตายกับใจกับชีวิตของเราอันอื่นเราไปใช้มานเราไปใช่บ้างกิเลสมานขันธ์มาณเอาชีวิตเราไปใช้ความโลภความโกรธความหลงเอาชีวิตเราไปใช้ความเลอะความชังความวิตกกังวลสมองเอาชีวิตเราไปใช้เราอาจจะไม่ได้ใช้เลยชีวิตของเรา นีแต่เรารับใช้มันคอยรับใช้เรื่องของกายก็โลภรถกินเสียงอะไรต่างๆเรื่องของกิจใจก็ธรรมารมคอยรับใช้แต่ธรรมารมธรรมารมเขาต้องการอะไรก็ไปหมดยินดียินล่ายผูู้แผล่แผอาจจะไม่ได้ใช่เลยชีวิตของเรา ถ้าเราไม่มีฐานมีที่ตั้งยึดให้ได้หลักได้ฐานให้ได้หลักได้ฐานเหมือนเรามีหลักฐานไลรนาของเราสวนเราบ้านเราชนบทของเรามีหลักฐานอ้างเองได้การปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันเพื่อได้หลักฐานเห็นโลกประธรรมเห็นนามประธรรมา เนี่ยมันได้หลักฐานเอาบัตรนี้ละส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นนามแต่รูปกับนามมันเป็นธรรมชาติเป็นอาการเท่านั้นเองไม่ใช่รูปเพื่อรับใช้ความสุขความทุกข์เพื่อรับใ ช, ย ค, คบชยความโลภความโกรธความหลงก็เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ตามสภาวะทุกข์ของเข า, า, เาขก็เป็นความสุขก็เป็นความสุขที่เป็นสมมติบัญญัต ไม่ใช่ความสุขเกษมสุขแบบเปลีป่ยนปายแล้วก็ตกลงมาปีนขึ้นไปอีกเพื่อจะได้ก็ตกลงมาสุขที่เป็นสุขแบบปุตุชนสุขแบบเปลีป่ยนปายเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่มีสุขมันก็ไม่มีทุกข์มันก็ไม่มีมันมีแต่ธรรมชาติมีแต่อาการแต่เราไปต่อเอาธรรมชาติก็ไปต่อเอาเป็นสุขต่อเอาเป็นทุก ธรรมชาติก็ต่อเอาเป็นความลักความชังแต่จริงมันแค่นั่นมันแค่ธรรมชาติแค่อาการอย่างนี้เราจรึงมาศึกษาให้มาเห็นได้ฐานได้หลักยึดได้ยึดรูปมาทำยึดนามมาทำส่วนที่เป็นรูปมันถึงไหนเพียงไรเราไปเจี่ยวข้องกับรูปขนาดไหนสิ่งที่เป็นนามเราไปเจี่ยวข้องกับนามอย่างไร แค่ไหนเพียงไแล้วก็มีขอบมีเคตไม่ใช่เอามาเป็นสุขไม่ใช่เอามาเป็นทุกข์ไม่ใช่เอามาเป็นความชอบความไม่ชอบส่วนที่เป็นรูปประธรรมส่วนที่เป็นนามธรรมาเราเห็นแจ้งการเห็นแจ้งในรูปในนามท่านเรียกว่าวิปัสสนะตอนนี้แหละที่เราทําอยู่นี่ตรงเป๊ะ ตรงเข้าไปในรูปตรงเข้าไปหานามเราเห็นเราดูอยู่นี่มันเห็นในของที่มันเห็นที่มันมีอยู่เห็นในของที่มันไม่มีอยู่เห็นในของที่เป็นจริงเห็นในของที่ไม่เป็นจริงความเป็นจริงมันก็บอกเราความไม่จริงมันก็บอกเราเป็นเห็นกายเห็นเวทนา เห็นจิตเห็นธรรมเนี่ยนะแต่มันจีงขนาดไหนจริงก็กายสักว่ากายมันก็สักว่ากายมันนอยู่แต่มันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเวทนาที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็มีเป็นเวทนาเป็นเรื่องของแค่เวทนา ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราของจกีงแบบเวทนาแต่ไม่จริงแบบตัวตนเขามีแค่นั้นเขาไม่แค่เวทนาไม่ถึงกับเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามกับกายกับใจความคิดที่มันคิดแล้วคิดอีกเราก็เห็นมันนี่แหละไม่มีใครไม่เห็นแต่มีสติ กำหนดกายเครื่อนไว้จะต้องเห็นสี่อย่างมันผ่านหน้าผ่านตาอยู่พอเราเดินจากสลาหอไตไปสาลาหน้าทางที่เราเดินก็ต้องผ่านอะไรที่อยู่ทางเราเดินสองข้างพอเป็นนิมิตหมายไว้ถ้าถึงกติจานกำพลก็แสดงว่าครึ่งแล้วเช่น แม่จาย์กำมพลมาทำวัดที่หอไตรต์เดินไปถึงกติคุณวันก็แสดงว่าต้องนั่งต้องนั่งก่อนเออเครื่องแล้วให้ให้นั่งนั่งข้างเดียวถึงข้างที่สองลุกขึ้นก็ไปถึงบ้านทันทีเดินจากสลาหน้ามาก็มานั่งแถวต้นประดูแแถวกอไผ่ ตลกไปข้างสองก็ถึงบ้านนิมิตนิมิตเครื่องหมายการปฏิบัติธรรมเหมือนกันสิ่งที่มันที่เราเห็นอยู่ก็คือกายคือเวทนาคือจิตคือธรรมแล้วเราเห็นเราเราก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรดูไหมหรือว่าไม่ค่อยดู กายก็ฟรีก็หลอกเราได้เวทนาก็ฟรีหลอกเราได้ความคิดก็ฟรีหลอกเราได้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจก็หลอกเราได้นั่นนี้แต่เราไม่เห็นัก็หลอกกับเกอนสิ่งที่มันไม่จริงก็หลอกให้เป็นสิ่งที่จริงได้ถ้าเราไม่เห็นสิ่งที่มันจริงก็หลอกให้เห็นเป็นของไม่จริงได้ถ้าเราไม่เห็นถ้าเราไม่ดู คุณมาดูเข้าชัดๆจังๆครับผมจนเห็นแบบลึกซึ้งคล้ายๆกับว่าอืมอย่างนี้แล้วว่าอื้มก็คือวิปัสสนาแล้ว่าอืเนี่ยคือวิปัสสนาแต่เรียกว่าไม่ไหวจะแสดงว่ายังไม่ใช่วิปัสสนา ไม่ไหวโอ้ยนี่ะโอ้ยไม่ไหวแค่นี้เรียกว่าไม่ใช่วิปัสสนะาเวทนาบางคนก็โอ้ยไม่ไหวบางคนก็อืมแต่ว่าโอ้ยเนี่ยแสดงว่ามัมนบังแล้วแหละเป็นตัวเป็นตนอยู่ในเวทนาแต่อืมเรียกว่าไม่บังละเปิดเปิดเผยเห็นแจ้งแล้วปะ ลักษณะของโอ้ยกับลักษณะของอืมมันมันต่างกันต่างกันไหมเอาว่าโอยเนี่ยกับอืมอันนี้มันต่างกันไหมมันกับว่าไม่ไหวกับว่าไม่เป็นไรอันนี้ต่างกันไหมของเงินเดียวของคนว่าไม่ไหวของเงินเดียวบางคนบอกว่าไม่เป็นไร่านีต่างกันไหมของเงินเดียว เหงื่อข้าวไม่ไหวคนหนึ่งว่าไม่ไหวคนหนึ่งว่าเหงื่อข้าวอืมไม่เป็นไรบางทีเราก็สมมติบัญญยัดมันต่างกาันแต่เรามีสตินะค่อยดูแม้มันจะสุกมันจะทุกข์มันจะโกรธเราก็มีแต่เดียวที่จะต้องเห็นมันจะอืมอืมอะไรให้เข้มแข็งอย่างนี้การปฏิบัติธรรม มันก็เลื่อนฐานะมาเป็นอย่างนี้อย่างโอ้ยไม่ไหวมันก็จะออกมาอื ม, อมไม่เป็นไรมันจะออกมาทําลองนี่แล้วก็ต่างเก่าไหมพ้นภาวะเดิมไหมแปลว่าอืมไม่เป็นไรนลยกับโอ้ยไม่ไหวมันพ้นออกมาได้บ้างไหมมันก็พ้นพ่นล่วงเกินภาวะเดิมล่วงเกินภาวะเดิมนั่นแหละท่านเรียกว่าวิปัสนา วิปัสนาหน่อยๆวิปัสนาด้วยเวทนาวิปัสนาด้วยกายวิปัสนาด้วยความคิดวิปัสนาด้วยธรรมเอากายมาเป็นตัววิปัสนาเอาเวทนามาเป็นตัววิปัสนาเอาตัวใจจิตใจที่มันคิดมาเป็นวิปัสนาเป็นสิ่งที่รู้แจ้งทางเก่าล่วงเพราะว่าเดิม อต่นี่นะมันไปทางนี้ปฏิบัติธรรมจะเริ่มต้นจากนี่แหละจากตัวรู้ศึกตัวมันก็จะกลายไปเป็นตัวดูมีโอกาสเป็นตัวดูพอมีโอกาสเป็นตัวดูก็มีโอกาสเป็นภาวะที่เห็นแต่มันเห็นแล้วอาจจะยังไม่แจ้งแต่ก็ยังดีเห็นมันเป็นคนละอันกัน ภาวะที่เห็นกับภาวะที่มันเป็นนั่นเห็นกายอย่างนี้เห็นเวทนาอย่างนี้เห็นความคิดอย่างนี้เห็นธรรมอย่างนี้แต่ก่อนมันเป็นพอมันดูเข้าดูเข้ามันเห็นพอมันเห็นแล้วมันก็แจ้งขึ้นแจ้งขึ้นจนถ้าค่วงโตตอบกับกสิ่งที่เห็นเกี่ยวข้องแค่ไหนเพียงไรอย่างนี้ ตัวภาวาที่เห็นแต่เห็นมันก็ไม่เข้าไปเป็นกับสิ่งที่เห็นแต่ยังไม่เห็ น, นก็เราจะบอกก็ว่ายังมืดหมืนกับไม่มีแสงสว่างแลงไม่เห็นมานมืดเนี่ยเขาเรียกว่าอุตุชนคือคนหนาคนมืดมนุษ เกิดแสงสว่างกระแสเป็นผู้ใดกระแสแสงสว่างเกิดขึ้นคือทางสติทางปัญญาพอเราศึกษาเรื่องนี้มันก็จะสัมผัสทันทีเห็นมีสติเห็นกาย่านี้แต่ ก, ก็มันก็มีอยู่จริงๆงมันไปพร้อมๆกันเห็นเราเดินจงกรมมันก็รล้ขนาดที่เท่าเหยียบพื้นพอดี ไปรู้จุดอื่นก็ไม่ดีเท่ากับรู้เวลาเท่าขอโทษเพื่อนรู้รู้ไปนะมันพอดีภาวะที่รู้กับภาวะกายครับหรือกับการเดินมันพอดีกันมันเป็นวักพอดีมันเป็นจังหวะพอดีไม่ช้าและไม่ไวการยกมือสร้างจังหวะมันก็รู้ขณะที่มันมีสิบสี่รู้ยกขึ้นสําเร็จ พลกมือขึ้นสําเร็จตั้งไว้แล้วลู่ยกขึ้นอีกพักหนึ่งลู่ยกมาอีกพักหนึ่งลู่มันลู่เป็นจังหวะพอให้เราลู่เป็นคลั้งเป็นครั้ ง, งพอดีไม่พืชไม่เหมือนเหล็กเส้นมันไม่ทื่อมันเหล็กเส้นวิธีที่เราทําอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาภาวนาไม่ใช่สวัสดิกามฐาน สมาทากรรมฐานเนี่ยก็เหมือนเหล็กเส้นเอาให้ทื่อไปเลยไม่ต้องมีอะไรละ่ะแต่มันไม่ทื่อเลอแต่สมมุติว่าเราดูลมหายใจเข้าออกมันยังไม่ทื่อก็บริกรรมเข้าไปอีกหายใจเข้าอาจจะว่าพุทหายใจออกอาจจะว่าโทหลับตาลงไปอีกเพื่อให้มันทื่อเงียบไปเลยไม่มีกระดดกระเดกเลยมัน เอาพุทลงไปโทรลงไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกอเล็กเส้นแล้วบ้างังหุบแล้วบ้า น, นิ่งอะไวบนางตายอยู่นั่นแหละนักกรรมฐานไม่รู้แก่ okay. เวลาออกจากกรรมฐานแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนศิลาทับย้าเมื่อเอาศิลาออกแล้วย่ามก็เกิดขึ้นมาเหมือนเดิมขอนขวายที่จะเข้ากรรมฐาน อ่อนแอเมื่ออยู่ในความสงบเหมือนศีลาทับยากันไม่อินซีมันก็ไม่แจกกล้ามันยังอาศัยอื่นอยู่ผ่นไว้ง่ายพอกรรมฐานประเภทนี้จะต้องหลบรลีตหนีผู้หนีคนอยู่เรื่อยๆแต่ที่เราทำอยู่นี่มันเป็นวิปัสสนาภาวนามันไม่ให้ทื่อมันเป็นจังหวะมันลูปมันลู่มันออกมาดูเหมือนออกมาดูนะไม่ใช่อยู่ ภาวะที่เราทำเนี่ยมันรู้เน่ยรู้หนึ่งรู้อีกแล้วรู้กลายเป็นดูอีกเห็นอีกเห็นอีกเห็นอีกแรกเป็นตัวรู้ต่อไปเห็นรู้เห็นพบเห็นรู้เห็นพบเห็นเห็นกับตาในจริงๆว่ามืออยู่ตรงไหนรู้เวลาเราเดินก็รู้เวลาเราหายใจเข้าหายใจออกก็รู้รู้เห็นพบเห็น เห็นเห็นเอาไปไมาไม่แต่เห็น เ, เห็นเ้าไปภาวะที่เห็นก็แก่ก้าขึ้นแก่ก้าขึ้นตาก็คมขึ้นเหมือนครับเขาใช้เลนโฟกัสที่มันคมคมเป็นกระจกไว้ใส่แสงแดดแล้วหมุนโฟกัสที่มันเป็นบนที่มันเป็นแสงเอาไปส่องในนุ่นนะ เอาไปแดดกล้ า, าเวๆไปสองในนุ่นแม้นนุ่นมันอยู่ในร่มแต่ว่าเอาโฟกัสที่มันเป็นเงาจากแสงอาทิตย์น่ะเอาไปบาดนุ่นแต่ตั้งอยู่นั่นนานๆเนี่ยจะเกิดไฟทันทีโฟกัสมันคมการปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันถ้าดูเันเห็นนานๆก็เกิดไฟเผากิเลสวอดไปเหมือนกันนะอ่ะเรียกว่าชาน เพ่งเผาชาเน่ยแปลว่าเพ่งเผาเผาอะไรเผาสิ่งที่มันเป็นซากเป็นศพความโกรธก็เป็นซากศพความโลภความหลงเป็นซากศพทําให้เน่าทําให้เหม็นทําให้ปูดทําให้เสียหายจะเผาความโลภความโกรธความหลงหายไปโดยไม่รู้สึกตัวก็มีวางคนคิดหาไม่เห็นเลยก็ไหม แต่บางคนก็หลุดปพ๊กไปก็ไปก็แม่แต่บางคนไม่หลุดเท่นั้นไอ้อไปเย็นไปโดยไม่รู้สึกตัวก็แม่จนถึงเอ้าทำไมจังเอ้ามันไปอย่างไหนเอ้ามันไปยังไงหลงส้นไปเลยดูตรงไหนไม่ใช่ตัวใช่ตนไปแลย้ยบางทีต้องเอามือมาลูบดูเพราะมันเห็นสมมติบางทีเห็นสมมุติ น, มมตนี่มันก็โลดผลมันก่อนบางครั้งบางครั้งที่มือมันมีอยู่เคลื่อนไหวอยู่มันก็ไม่รู้ว่าเป็นมือ มันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันไม่มีสมมตุติต้องกอามือหนึ่งมาจับอีกมือหนึ่งแต่ก่อนมันไม่ไม่มีอะไรหายหมดเลยต้องเมือมาจับมือหนึ่งเออมือเนี่ยมือเนี่ยลูบไปตามขาตามคอตามหัวตามตัวโอ้ถ้าเห็นสมมตุติบางทีมันโลดผลก็ถึงกับทําให้หลงก็มีบางทีหรือว่ากายโลดตาเบาจิตตลดตาเบากิต กายโลหิตาเบาไา่เดินได้เหมือนไม่ได้เหยียบดินเลยจิตก็เบาวมไม่มีอะไรไม่มีน้ำหนักอะไรไม่มีที่ตั้ง้อยปลดเลยนันก็เรียกว่ากายโลหิตาจิตะะตาโลหิตาอย่าไปกลัวอย่าไปหลงแล้วก็มีความรู้สึกตัวอย่าไปเล่งความเพียนท่านไปนะอยู่เฉยๆไปก่อนดูว่ามันก็รู้อยู่นั่นแหละ ถ้ามันมีอย่างนั้นไปหาอีกไปหาอีกหาอันทิ่งที่มันไม่มีก็จะผิดอีกอาจาาอาจะกลายเป็นวิปัสโนอาจจะกลายเป็นวิปลาสไปเห่นเราสตาร์ทรถตึ้มมันติดแล้วก็ยังหมุนต่อไปอีกมันก็ข้ามไปอีกแล้วมันไม่อยู่ในภาวะที่มันจะต้องใช้ได้อารมณ์ของนักกรรมฐานก็มีเหมือนกันผู้ที่สอน ก็ต้องรู้เวลาเขาพูดอะไรให้ฟังเออเวลาเข า, าพูดอะไรให้ฟังบางทีเขารู้ของจริงเนี่ราแบบอ้ใช่แล้วใช่แล้วนั่นแหละนั่นแหละไปพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะบางทีก็ตี อ, อ, อกดีใจจนเกินไปโอเคอโวยวยโหลดผนไปเลยก็ตือลือล่นไปเลยมันก็คนหนึ่งไปติดคุก แล้วก็พ่อใหญ่หลวงพ่อเนี่ะเป็นกำนันแล้วก็เป็นตำรวจพามาส่งบ้านบ้านกำนันบ้านน้องแก่เนี่ยสมัยนั้นหลวงพ่อเป็นเด็กน้อยเขาก็ใส่กุญแจมือมาสมัยก่อนขี่ม้านะตำรวจพ่อกำใหญ่กำนันก็ขี่มา้านักโทษเาก็เดินตามก้นมา้าแต่ใส่กุญแจมืออ่าพอมาถึงบ้าน พอมาถึงบ้านก็นัดให้ลกให้เมียว่านโนนโคนมารับพอลูกเมียมารับตำรวจพ่อใหญ่กำลังก็เปิดกุญแจออกจา ก, กมือพอเปิดกุญแจออกจา ก, กมือนี่ยก็โดดโลดเต้นไปเลยมันไนเะต้นกระโดดข้ามหัวคนนั่งอยู่คนไว้ดูอ่ากระโดดไปเลยเช่ตามีตามี คนลลายหัวเราะนึกว่าเป็นบ้ามันเป็นบ้าโซ่เหอนกันนะมันหมาเนี่ยใช่ไหมหมาถ้าเราผูกโซ่เนี่ยหลายเดือนเนี่ยพอแเคชดโอ้ยมันบ้าเลยแต่โหดโหลดเต้นวิ่งอ้อมเ้านออกมาตามีนี่ก็เหมือนกันโหลดโลดเต้นไปเลยคนผู้มีธรรมถ้าเราไปยกย่องเกินไปก็ไม่ได้ต้องรู้จักอืมเรียงกันนะทำอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้หรืออ๋อ ะจะผี่จะถูกก็ดูไปนะพูดไม่ค่อยก็มันเกิดตาใหมา่พระใหมา่บ้านเกื้ออำเภอวังสะพุงไปปฏิบัติธรรมด้วยกันสมัยสมัยนูน้นแต่ว่าเขาไปอยู่หลังหลวงพ่อพระใหม่นี่หลวงปู่เทียนมาเก็บพูดล่อเอาดีๆนะคนไม้คนไม้รูดทำแล้วมันจะดีเลยไปปฏิบัติไปสอนบ้านเกื้อ เอาดีๆเลยอะไรก็พูดอะไรก็ตามไม่คนไมยคนไม่อาแล้วเอาแล้วคนไม่รู้จากรูปรูปร้รจากนามแล้วน้องคนไม่เนาะเอออยงนั้นนะเอาไปมาพูดคำสองคากับคนไมยคนไม่เพราะว่าเป็นเป็นพูดเล่นแต่คนก็ไม่ไค่จริงจังอะไรดอกเอาไปมาคนมาคนดังเอกขึ้นมาหรืบเปล่าสร้างพาจิตขึ้นมาเขาว่าเขามีปัญญา เขาตั้งพาสิทขึ้นมามัติโกโทถ้ายังมีความโกรธอยู่ไม่ดีเลยนัตถีโมหะถ้ายังหลงอยู่ไม่ดีเลยเขาก็ตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาไม่ใช่ตั้งเฉยๆเฉพาะเขาเอาไปพูดด้วยเรียกว่าพาสิทโคกบาลีโ ค, โคเขาก็ต้องช่วยกันเจบอกเขาก็ยังไม่เชื่อเา่ามันถูกนะถึก นาทีโกโทถ้ายังโกรธอยู่จะดียังไง ม, มันก็จะถูกของเขาแต่ว่าไม่ไม่ถูกแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียว่าโกโทคตวังโกโทคัตวังสุขขั้งเสติถ้าความโกรธจะได้อยู่เป็นสุขแต่พระหมายเนี่ยนาทีโกโทถ้ายังมีความโกรธอยู่ไม่ไ ม, ไมีไม่ดีเลยเราต้องแก้กัน บางทีก็หลงถ้าไปยกยอเกินไปบางคนมันก็โลดผนบ้าโคกกบโคกตื่นเต้นก็ไหมืนแบางทีเขาถึงที่สุดแล้วเราก็รู้ค่อยพูดค่อยเล่นกันไปแล้วเขาทำอะไรเี้ยเขาก็มาบอกเงยมันไม่มีอะไรแล้วหลวงพ่อมันไม่มีอะไรแล้วไม่มียังไงก็นี่คือลูก เนก็คือใจที่มันชิดโน่นชิดนี่อันแหละมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันเป็นแต่รูปธรรมชาติมันเป็นแต่น้ำตามธรรมชาติอันรูปมันตั้งอยู่เฉพาะรูปไม่มีสุกไม่ทุกอยู่ในรูปนาำมันก็ตั้งอยู่เฉพาะน้ำไม่มีสุกไม่มีทุกตึ่งน้ำเป็นธรรมชาติเป็นอาการธรรมดารูปมันก็เป็นธรรมชาติรูปมันก็เป็นอาการนามมันก็เป็นธรรมชาตินามมันก็เป็นอาการธรรมดา จะให้ความโลภความโกรธความหลงไปตั้งอยู่บนรูปมันไม่มีที่ตั้งจะให้ความรักความชังไปตั้งอยู่ในรูปในนามมันไม่มีที่ตั้งจะตั้งตรงไหนก็ไม่มีถ้าไปตั้งก็เป็นสมมติเป็นบัญญัติไม่ใช่ตั้งไม่ลงตั้งไม่ติดถืงนตั้งไปเลยก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกับเอาก้อนติดไปตั้งอากาศก็หล่นลงไปหล่นลงไปตกลงไป ความโกรธไปตั้งอยู่บนโลป ก, ก็หล่นลงไปความโกรธไปตั้งอยู่บนน lar, ้าก็หล่นลงไปคนเน่หน้ารัลกนะก็หล่นลงไปคนเน่หน้าช้างนะก็หล่นลงไปจะให้มันไปติดเป็นความรักความช้างมันก็ไม่มีจะให้มันไปติดเป็นความทุกข์ความสูกความร่ายมันก็ไม่มีมันหล่นลงไปง่ายง่ายมันเหวเหวฝังกิเลสทั้งหลายมันหล่นลงไปหล่นลงไป แล้วไปลุยจะทำาังไงเอกป่ะเนี่ยเอาไปต so okay. uh ั้งเทไรมันก็หล่นลงไปจะให้มันรักมันก็หล่นลงไปจะให้มันชํางมันก็หล่นลงไปจะให้มันสุ่มันก็หล่นลงไปจะให้มันทุกข์มันก็หล่นลงไปอย่างนี้แล้วไปทำอะไรป่ะเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะทำแล้วโอ้ชีวิตของเราก็แช่นี่หรือมันก็แช่นี่แหละกำมือเดียวเส้นผมบางภูเขาก็แช่นี่แหละ จากสิ่งที่มากๆ ม, มันก็ไม่มีอะไรในความรู้สึกตัวมันไม่มีอะไรเราถูกหลอกมานานเราถูกหลอกมานานเรื่องรูปก็หลอกเราเรื่องนามก็หลอกเราความรักความชังก็หลอกเราความโลภความโกรธความหลงก็หลอกเราให้รู้เอาไว้นะคุณหมอในเวลาใดคุณหมอโกรธก็บอกถูกหลอกแล้ว เราถือว่าเป็นของดีหรือเชื่อว่าเป็นของจริงเวลาใดที่ไม่ทุกข์ก็ถูกหลอกแล้วเวลาใดที่มีความรักความชังก็ถูกหลอกแล้วต้องพอดีนะให้ถึงในการปฏิบัติธรรมนะหลวงพ่อไม่ได้พามาทำเลี้ยวไหลพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกเราวิปัสนาภาวนาการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยยกโป้เลยยกนิ้วเลย นี่และหมายเลขหนึ่งเอกับมโควิสุทธิยาเป็นทางหมายเลขหนึ่งไม่อะไรไม่ไฮเวย์เลยอะไรจันตุกถนนเมื่อเราไฮเวย์ Highway เลยด่วนที่สุดแล้วไฮเวย์ Highway. แต่สารัตนี่ฟรีเวย์นะด่วนกว่าเองฟรีเวย์มันเป็นไงมันวิ่งเฉพาะรถนั่งเอของเราไฮเวย์เนี่ยรถบรรทุกสิบล้อก็ยังวิ่งได้นะใช่ไหม แต่ที่สาลัดเนไม่มีเลยมีแต่รถนั่งรถเฉ่งรถตั้งส่วนตัวเขาเรียกว่าฟรีเวกเขาแบ่งรถบรรทุกก็วิ่งสายหนึ่งรถโดยสารก็วิ่งสายหนึ่งรถนั่งก็วิ่งสายนึงอย่างนีน้ทั่วประเทศเขาไม่ต้องจอดก็ได้ถ้าจอดก็จอดที่พักรถมีอน า, ามัยมีโทรศัพท์มีร้านอาหารมี ห้องน้าพักนอนได้สบายร้านอาหารตู้โทรศัพท์เตียงพยาบาลสองเตียงที่พักรถเขานะเมื่อเราไม่มีอะไรมีแต่ลถ ม, มา้าของเขามีนะพวกไฮเวย์ของเขามีเตียงพยาบาลสองเตียงตู้โทรศัพท์สองตู้ห้องน้าห้องอาบน้าห้องน้ำสองห้องห้องอาบน้ ำ, อนำสองห้องห้องอาบน้งงองอบนขงเขาก็น้ำอุ่นด้วยนะ ไปอาบน้ำเย็นนี่ไม่ได้เรามันลวกมันมันมันหนาวเนี่ยจนลวกนะคุณหมอนะถ้าไปอาบน้ำเย็นหน้าผากลอกเลยดัเปอร์เลย <c oughs> แต่มันเย็นจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เย็นนะมันร้อนนะเพราะนั้นเขาสร้างไว้เรียกว่าฟรีเวย์ถ้ชีวิตของเราถ้าเดินอยู่ตรงเนี้ยมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นฟรีเวย์ผ่านได้ตลอด กาแต่เราจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าเราไม่อยากผ่านมันก็ไม่ผ่านเอ็นเห็นกายอย่างเนี้ยเอ็นเห็นเวทนาเนี่ยเราผ่านไหมง่ายไหมเอ็นเห็นความคิดเนี้ยง่ายไหมอยากผ่านหรือว่าอยากอยู่ตรงนั้นบางทีมันก็มีอาสาทนะเรื่องของกายก็มีอาสาทนะเรื่องของความคิดก็มีอาสาทะคือชอบมีรสเวทนาก็มีรสชาติความคิดก็มีรสชาติ อะที่คิดดำดืมดเพอสมกวรนะความคิดไม่อยากผ่านมีอาสาทะติดก็มีนะบางคนนะั่งพอปฏิบัติทำไปติดความคิดก็ไปเป็นจินตายานเป็นวิปัสโนไปเอาหนังสือเอาปากกาคือไาเขียนก็มีบางทีอย่าไปติดลู่เ ล, ลื่อยไปลูเลื่อยไปถ้ามันลู้มากมากแล้วลูสึกตัวนะไม่ใช่ลู้นะลองลู่มันก็มีมีรสชาติวนเขาเรียกว่า วิปัสสนูเหมือนกันความรู้ความสุข น, นะทําให้เห็นพโยคาวาจรทั้งหลายติดได้เหมือนกันนะนเราจึงพ่านตลอดพ่านตลอดรู้จึกตัวกลับมาล ก, ก, กลับมารู้จึกตัวกลับมารู้จึกตัวนี่หลักของเราอย่าสุกสนอย่าตะกะตะการไปเอาสุขไปเอาทุกไปเอารู้บางทีมันตกแหลงความรู้ก็มีนะตกแหลงความสุขก็มีนะ นั่งยิ้มอยู่สองวันสามวันไม่กินข้าวเลยตืนน้ำลายก็กระแทบที่สุดแล้วอิ่มมากๆากเลยตืนน้ำลายตัวเองนะอิม่มเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าปิติปัสฉิใจก็สงบไม่รสชาติในความสงบอิม่มอกอิ่มใจก็อย่าไปอยู่อย่างนั้นกลับมาเพราอเราดวดเนี่ยถ้าไม่ด่วนก็ไม่เป็นไรหรอกเอาอยู่นั่งก็ได้สักสองสามปี แล้วก็หมด อ, อกไปนั่งยิมสักสองปีไม่เกินนั่นวิปัสสนานะแล้วก็จืดเฟเองเลยหาไม่อีกหาไม่เจออีกแล้วคําพูดที่พูดจดจดจ ด, จดไปได้เดียโอ้ยโค้ชสองปีเท่านั้นออไะไฟหมดจ้อยเลยหมดไฟเลยต้องมาเริ่มต้นใหม่มาเรียนกอไก่ใหม่ถ้าใครไม่กลับถ้าเรากลับตอนที่เราเป็นอนะ่ะมันต่อไปเลยพอมันสุขเห็นมันสุขยังไงพอมันทุกข์เห็นมันทุกข์พอมันรู้เห็นมันรูนน้ต่อต่อยอด กานปฏิบัติถ้าสุกเอาสุกไม่มียอดเลยห้วนไปเลยนี่แต่มันจะห้วนลงห้น่นลงไม่เกินสองปีวิปส น, นุไม่ต้องไปแย้เขาก็จะเป็นไปอสองปีเท่านั้นในเพื่อนคนหนึ่งพอปฏิบัติรู้จักรูปตามเข้าไปถึงวิปสนูเลยคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนีน้จะไปเทศให้คนนั่นฟังจะไปเทศให้คนนี้นฟังเราห้ามก็ไม่อยู่โน่นไปอนองหาโน่น ไปน้องหารก็ไปพูดไม่ว่าจะเป็นหมืนกับความคิดตัวเองเขาไปพูดกับังไปเห็นคนจูบบุหรีก็ไปบอกเขาไปเห็นคนกินเหลาก็ไปด่าเขาไปเห็นคนกินหมากก็ไปด่าเขาตัวเองคิดยังไงก็พูดไปตามความคิดทั้งหมดบริสุทธิ์เขาพูดยังไงเขาไม่เชื่อเลยอะไรก็ลูกอะไรก็ลูกเหลาก็ไม่ดีบุหรีก็ไม่ดีหมากก็ไม่ดี สุปรีมันกับอมขี้หรือเออกินมากหมืนกับอมขี้สุปรีก็เหมืนกับอะไรก็ว่าเ จ, ะจะ้าเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าไงอาจารย์อาจารย์กับเมืองเลยเนี่ยเ่อต้องเ่อต้องขี่รถเด้อห่อไปรถ <laughs> เขาก็โกรธเลยว่พูดอะไรไม่ฟังสนุพูดตามอารมณ์ของตนงเองก็อย่าพูดก็อย่ารู้ ถ้ามันรู้มากก็อดไปก่อนจะพูดในความรู้รู้สึกตัวมาสร้างสติไปก่อนมาต่อยอดตรงนี้มันต่อได้ดีดีถ้ามันรู้เห็นมันรู้ต่อแล้วถ้ามันรู้เป็นผู้รู้ไม่ต่อแล้วอ่าไม่ต่อแล้วยอดไม่มีแล้วไม่เป็นมรรคเป็นผลถ้ามันรู้เห็นมันรู้หน่ยมีโอกาสจะเกิดมรรคเกิดผลเป็นยอดขึ้นไปออกดอกออกผลได้ถ้ามันรู้เป็นผู้รู้ไม่มียอดแล้ว หุนลงหุ่นลงหุนลงถ้ามันสุกเป็นผู้สุกไม่มียอดแล้วถ้ามันสุกเห็นมันสุกม่ยอดไปแล้วกรมสุกก็กลายเป็นปัญญาเป็นญานไปอะไรนั้นอย่าทิ้งตรงนี้นะนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อบอกหลวงพ่อบอกที่บอกอย่างนี้ไม่ใช่จําจากอะไรมาประสบพบเห็นมาอย่างนี้ แล้วมันก็เป็นความเท็จเป็นความจริงความสุขความทุกข์ความรู้ความสงบอย่าไปหลงมันมีสติท่าเดียวพวกเรามีความรู้สึกตัวท่าเดียวเคลื่อนไหวมือช่วยเดินจงกรมช่วยให้รู้สึกตัวพอประมาณอย่าลีดตัวเองอย่าอยากรู้จนเกิดผิดปกติ อย่าไม่อยากลู่จนผิดปกติเป็นกลางๆงนักปฏิบัติวางตัวเป็นกลางกางวางตัวเป็นกลางๆงไม่ไปสุขไม่ไปทุกข์ไม่ผิดไม่ถูกผิดถูกอยู่อันหนึ่งเห็นเ้วก็เห็นอยู่เนี่ยสะดวกดีนะปฏิบัติ